ดุดกลางสะ دان อันบุคคลเอาสันดาบเคาะดังกังเข้าแล้วเสียงดังเป็นกลางวานครวญเบาๆนั้นวิตกมีลักขณะดุดแรกเคาะด้วยสันดาบดังกังเข้านั้นวิจารณ์มีลักขณะดุดกลางวานอันคร่ำครวญอยู่นั้นเหตุนี้จึงว่าวิจารณ์นั้นมีลักขณะรูปคลําตามวิตกนั้นขอถวายพระพร